ความ 2 และ 3 ประจำ 2509 ซึ่ง คือใคร่ๆแต่ความเป็นจริงแล้ว และทําต่อหน้าบุคคลหลายคนเพื่อบันทึกหลักฐานเอา ก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะจัดให้มีนิทรศการทางจิตใจไว้แล้วอันหนึ่งข้อความที่กล่าวไว้ในเรื่องนี้จัด ต้นฉบับซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงข้อความที่ๆ ส่วนข้าพเจ้าได้เก็บใจความมาเขียนไม่ใช่ลอกข้อความมาทั้งหมดที่ถ่ายทอดนํามาลงๆไม่ๆทั้งสิ้นก่อนจะถึง โอปปาติกาท่านที่จะตอบปัญหาจะเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องราวที่เป็นจริงอย่างขอ 1 ถ้าหากมีปัญหาที่จะให้ท่าน อัน 1 ข้าพเจ้าขอชี้แจงอีกครั้งนึงว่าโอปปาติกะที่ คนโดยมากมักจะเข้าใจว่ามักจะเข้าใจว่าผู้ที่อยู่ใน รู้อะไรถูกต้องทุกอย่างอะไรถูกต้องตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่างทุกคนและสามารถช่วยเหลือเราได้จริงสนใจคติ ข้าพเจ้าศึกษาเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง และอยู่ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอรรถะและ เล่าเสียง 3 2509 เวลา น. เว น. น, น, น, นเช่นอาจารย์สิริสิริพุทธสุขพัฒนาประภาพันธ์ สำหรับโอปปาติกะซึ่ง 6 หนหน้า Απ' την φα,